นี่มันก็ดับไปแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราดีไหมอย่างเงี้อันนั้นเสียหายมากๆเลยนะเสียหายจริงๆเลยนะพะอักก็มีอ่ะสมณเณรรูปหนึ่งเวลาเขาโกรธจัดมากเลยนะแล้วเขาก็มีคนพูดสักเขาสบายใจใช่ไหมเขาบอกเออนั่นแหละนั่นแหละอกุศนอันนั้นโทสะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเขาว่างั้นถ้าเขาโลภอะไรขึ้นมาอีกก็เออพอพอทําอะไรนะ มือนก็นว่าสมกับความโลภที่เขาต้องการเด็กเอ้ยความโลภนั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเอาหนักๆเข้าบุญบาปก็ไม่รู้ละ <c oughs> ตรงนี้แหละที่มันเป็นปัญหามากๆเลยคือธรรมะบางอย่างเนี่ยขั้นจริยธรรมขั้นศีลธรรมก็ไม่แม่นยำเลยนะแต่เอาอะไรนะเอาระดับสุญนตามาพูด น, นะปฏิสังยุตด้วยโลกุตระมาแสดงเลยไปกันใหญ่เลยครับนี่คือในในยุคที่ศึกษาพระธรรมในยุคนี้เขาเป็นอย่างนี้จริงๆก็มา <c oughs> อินเดียนนี้ก็เห็นกุศลขั้นสิกขาศีลสิกขากับจิตสิกขามากขึ้นนะเพราะว่าเห็นที่เมื่อกี้ท่านท่านท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยครับถ้ามีสองสิกขาแรกแรกนี้เราจะช่วยอีกเยอะแยะเลยเนะติประการหนึ่งที่เห็นประโยชน์มากคือใครเรียนปัจจัยมาอย่างละเอียดเนี่นะครับนั่นไม่ใช่ของเราเนี่ยถ้าไม่ได้เอาเรื่องปัจจัยมาตึกนี่ก็ก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจจริงๆเพราะอาศัยปัจจัยแท้วิชาปัจจัยนี่เเยี่ยมยอดมากเลยปัจจัยนี่กว่าจะเรียนเอามาใช้ได้ก็ไม่ใช่ของทําเป็นสัมพยุติแตปัจจัยเป็นต้นเนี่ยนะคือคือพูดแบบยุคใหม่เนี่ยไม่ชีวิตได้จริงๆามาใช้เห็นไหมไม่ไม่ค่อยวางวางรูปแบบการเรียนปัจจัยเพื่อเอามาใช้ซึ่ง ถ้าหากว่าศึกษาตามอะไรนีตามสติปัฏฐานบัพเพาเนี่ยนียสติปัฏฐานบัพเพาบัพเพาไหนสัมปชัญญะบัพเพาเนี่ยพูดปัจจัยแล้วเอามาใช้ได้จริงๆเนี่ยนะเป็นการแสดงปัจจัยแบบเอามาใช้จริงๆเช่นว่าอันเนี้ยแกลเหลียวเนี่ยจักขูเป็นนิสยปัจจัยรูปเป็นอารามณนะปัจจัยสัมปยุต ธ, ธรรมเป็นสัมปยุตปัจจัยเป็นต้นเนี่ยนะคือคือพูดแบบเออพิจารณาในชีวิตได้จริงๆ ทีนี้ถ้าแยกแยะอย่างนี้ได้แล้วจึงมาใส่ใจเป็นอะไรนะเป็นปัญหาวาระกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลหรืออัพยกากตะเป็นปัจัยแกอ่อพยกากตะอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคือซึ่งจะมองมองเห็นชัดเจนขึ้นโดยเอาปัญหาวาระต่างๆมามาวิเคราะห์ลงแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะมันได้แต่ตัวเลขไปเนี่ยนะโอเพราะว่าเวลาเรียนสอบเนี่ยมันต้องตัวเลขมันต้องแม่นยำใช่ไหมเพราะเขาอาจารย์เขาให้เวลาเวลากรอกข้อสอบจํากัดเนี่ย เดีวมันั่งคิดพิจารณาละเอียดไม่ได้ก็เลยหนักไปทางท่องไปทีนี้ก็ท่องนี่ไม่เสียหายแต่เสียหายคือจํามากเสร็จแล้วก็ลืมทิ้งไว้ไม่ได้เอามาใช้อะไรแต่ทีนี้ไปเวลาท้าสอบผ่านไปแล้วมันไปที่ไหนก็มีประกาศนียบัตรอันนั้นอยู่แต่วิชาไม่เหลือแล้วกลับเรียนถามพระอาจารย์นะครับการที่เราจะมีความรู้สึกว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรือไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยเออมันกับว่ามันเป็นความรู้สึก ที่ที่ได้ผ่านการอบรมมาแล้วอย่างอย่างดีแต่ว่าตอนนี้คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็พอเห็นคนก็จะมีความคิดขึ้นมานะครับว่านั้นไม่ใช่ของเราหรือว่าอันนั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นนามเป็นรูปเนี่ยความรู้สึกระดับที่มันคิดว่าเป็นไม่ไม่ใช่เป็นขั้นเติ่มตนนะคะืคอัอยากจะบอกว่าถ้าหากว่า ไม่มีความรู้สึกว่านั่นเรานั่นของเราเป็นต้นเน่ยนะยังไม่นี่นะก็ใส่ใจแบบนี้แทนคือมันเป็นเป็นอะไรนะเป็นอัถะเหมือนกันแต่ใช้คนลพยัญชนะนี่ทุกก <c oughs> ับบอกว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเรานะคือสิ่งเดียวกันนะมันคือสิ่งเดียวกันเพราะถ้าเราสําคัญว่าสิ่งนั้นคือตัวทุกจริงๆนะคือทุกกระทุกวิปรินามาทุกสังขารทุกเราจะคิดไหมว่านั่นเรานั่นของเรานั่น อัตตาของเราทถ้าเข้าใจไอ้สองคำเนี่ยแล้วแต่ถ้าถ้าหมายความว่านนี้ทุกจริงอ่ะนะจะสาคัญไหมว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราถ้าบอกว่าถ้าสําคัญว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราก็แสดงว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีสิเราจึงบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราท่านเอออันนี้จงเราใออกัับทุกตรพิจารณาในระดับสูงแล้วมันค่อยย้อนกลับไปหาระ ด, ดับล่าง บางทีก็พิจรารณาจากระดับล่างๆขึ้นไปหาก็ก็เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นอนุปัสนาไปแล้วเพราะว่าถ้าไม่ได้มีการทำปริญญาไม่ได้มีการแยกแยะนามรูปปัจจัยเมืก่อนเนี่ยการที่จะมีความรู้สึกว่าเออนั่นมันเป็นธรรมะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาเพราะว่าถ้าพิจารณาโดยความไม่ใช่ของเรานี่ก็เป็นอะไรครับอันนี้จะเป็นการพิจารณาพวกนี้เนี่ยนะ บางคนเนี่ยพิจารณาในระดับสูงแล้วมันค่อยย้อนกลับไปหาระดับล่างๆบางทีก็พิจารณาจากระดับล่างๆขึ้นไปหาระดับสูงพระองค์ก็แสดงทั้งสองในบางทีขึ้นในระดับสูงก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาในระดับล่างๆแล้วก็ขึ้นจากระดับล่างขึ้นไปหาระดับสูงเสียเาว่าธรรมะจะเริ่มจุดไหนก็ได้เนี่ยนะแต่ว่าสำคัญที่สุดคือต้องต้องอะไรนะรู้เบื้องต้นท่ามกลางและ ที่สุดอันนี้ต้องต้องพยายามเข้าใจพันธะหลายๆสูตรพระองค์ก็แสดงว่าสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียอันนี้ก็คือพูดให้ละระดับสูงเลยใช่ไหมแล้วค่อยๆมาแยกว่าอะไรบ้างค่อยคไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆตอนนี้หลายคนรู้เหตุเกิดแล้วก็ความดับของธรรมะนะครับอันนี้เราก็สาธยายกันได้ใช่ไหมค แต่าการที่เราใส่ใจอย่างนั้นบ่อยโดยที่ยังไม่ได้มาแยกแยะนามรูปยังไม่ได้มาใคร้ครวนเรื่องของปัจจัยเนี่ยเจริญอย่างนี้ก็ได้แะคืออันนี้มันเป็นทยัญชนะเนี่ยนะที่เรียกว่าที่ของมาว่าคือเมื่อสาธยายได้จริงก็ดีแล้วแต่ถามว่าไอ้ที่บอกรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายมันรูปไหนล่ะไอ้ที่ว่าแจ้วแจ้วแจ้วเนี่ยนะรูปไหนออรูปมีความเกิดความดับรูปเกิดโดยอาการห้าดับโดยอาการห้ามันรูปไหน ก้ีใช่ไหมล่าอะไรล่ะรูปขันห้าเอาโอรูปมันถึงห้าขันเลยหรอขันเดียวเออรูปเนี่ยนะรูปก็มีทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปมีทั้งสีเสียงกลิ่นรสโพธาภะธรรมารมรูปมีทั้งอะไรนะวิศยารูปโคจรารูปรูปเป็นภูตรูปอุปาทายรูปรูปไหนล่ะที่ว่ามันเกิดโดยอาการห้าดับโดยอาการห้าท่านลมเกิดโดยอาการห้าดับโดยอาการห้าไหมคือคืออันนี้แหละว่าอ สาธยายได้ก็ต้องมีวัตถุที่สาธยายเป็นที่ตั้งอย่างเราบอกว่าวิญญาณเนี่ยเกิดโดยอาการห้าดับโดยอาการห้าแล้ววิญญาณไหนอะวิญญาณที่มันล่องลอยไปเรื่อยหรือมโนวิญญาณหรือจักขูวิญญาณหรือวิญญาณไหนอะเอาคันี้สมมติถ้าจักขูวิญญาณเออการเห็นของเราเนี่ยนะเอาจักขูวิญญาณนี้เกิดโดยอาการห้าดับโดยอาการห้าจริงหรือมันเกิดโดยอาการห้ายังไงก็มาลองไล่ดูอวิชาเกิดจักขูวิญญาณจึงเกิด อาวิชามันเกี่ยวอะไรกับจักรคูวิญญาณถ้าอบบดับอวิชาเนี่ยด้วยอะไรเอาอะไรมาดับจักรคูวิญญาณจึงเกิดจึงดับถ้ากําดับจักรคูวิญญาณจึงดับถ้านามรูปดับจักรคูวิญญาณจึงดับนี่เป็นยังไงเนี่ยนะตรงคูวิญญาณเกิดเพราะมีนามรูปเกิดและนิ่พัตติลักษณะของจักรคูวิญญาณเองเนี่ยก็ค่อยมาสาวพิ้งอย่างเงี้ยไปเรื่อยแล้วโสตาวิญญาณเป็นยังไงคานาวิญญาณเป็นยังไงชิวหาวิญญาณเป็นยังไงกายะวิญญาณเป็นยังไงแล้วมโนวิญาณเป็นยงงไ แล้วก็ค่อยมาไล่อย่างไ้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าจะดับเนียดับจากขูวิญญาณเนี่ยนะอวิชชาดับจากขูวิญญาณจึงดับอวิชชามันร่้อะดับอวิชชาเนี่ยด้วยอะไรเอาอะไรมาดับถ้าตันหาดับจากขูวิญญาณจึงดับถ้ากรรมดับจากขูวิญญาณจึงดับถ้านามรูปดับจากขูวิญญาณจึงดับเอ๊ะเป็นยังไงเนี่ยนะอ่ะตรงนี้แหละที่เรียกว่าต้องเอามาประยุกต์ใช้ในในจากขูวิญญาณจริงๆนี่ถ้าเรามองไม่เห็นอย่างี้เราก็ไปเจริญพุทธคุณ พระพุทธเจ้าเขาเห็นพองษ์ก็มีจักรคูวิญญาณจักรคูวิญญาณพองษ์เกิดเพราะอะไรเกิดอวิชชาเกิดเพราะตัณหาเกิดเพราะตามเกิดเพราะอะไรกิดเนพติลักษณะเกิดเพราะน้ำโรคเกิดจากคูวิญญาณจึงเกิดแล้วพองษ์เนี่ยไม่มีดับจักรคูวิญญาณได้เนี่ยพองษ์ดับจักรคูวิญญาณไหนคงไม่ใช่หมายถึงดับจักรควิญญาณที่กระพริบตาใช่ไหมพอกระพริบตาจักรคูวิญญาณก็ดับแล้วหมายถึงจักรคูวิญญาณไหนอันไหนจักรคูวิญญาณชาติหน้าพองษ์ดับเรียบร้อยแล้ว คือการพิจารณาพวกเนี้ยให้จําสูตรให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาไหว้อีกครั้งหนึ่งก็อย่างที่อาจารย์สันติเคยพูดก็ก็ถูกกันนะว่าไอ้จําได้นี่มันก็ยิ่งหนักที่จะทําความเข้าใจกับแต่ละเรื่องนะั้นมันก็ยากระดับหนึ่งลนะแล้วนะแล้วมาศึกษาวิธีใช้อีกก็อีกวิชาหนึ่งเลยเนี่ยนะนะแต่ทีนี้ของเราทั้งหลายมันเรียนประยุกต์ทุกวิชามารวมกันหมดเนี่ยนะนะอันนี้แหละมันยุ่งอ่ะแล้วก็ถามว่าทําไมท่านไม่สอนเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนอนะ่ะก็คนเรียนก็ไม่มีเวลาไปเรียนอย่างนั้นอีกนั่นแหละ มันก็เพราะอะไรเพราะคนเรียนเขาก็อยากรู้อะไร <c oughs> เขาก็มาถามเอาเรื่องนั้นใช่ไหมเออวันนี้นึกอยากรู้เรื่องนี้เอามาเรียนนะวันหลังนึกอยากรู้เรื่องอะไรที่ไหนก็มาเรีื่องเรื่องเก่าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องใหม่ก็เข้ามาอีกอะ้รยังไงมันก็เลยโหยโษของวาตะนะขอมาไม่ค่อยคิดอะไรมากไปนะั้นมาเพราะว่ารู้มากเอ้ถ้าเราไปคิดเรื่องนี้เกินไปนะอเรื่องคนอื่นทําไมเขาจะเรียนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลําดับเขาวางใจยังไงอะไรยังไงเขามาดูทําท่าถ้าเอาเรื่องนี้มาคิดดูท่าจะใกล้จะป่วยอยู่เหมือนกัน อตอนหลังก็ไม่ค่อยคิดแล้วคิดแบบเนี้ยคนเลี้ยงพระเนี่ยโยมทําบุญเลี้ยงพระกอจตมาเทศให้โยมฟังเนี้ยก็ยยยจะคิดเท่ากันและเราพูดหนึ่งครั้งเราก็ได้บุญไปแล้วก็ <laughs> ก็ก็มามาทําใจไว้แบบนี้เออมันสบายใจไปเยอะเนี่ยนะเพราะถ้าไปยุ่ง ก, ก้าวไก่กับเขามากเขาเออเขาคิดคนละอย่างกับเราอย่างเงนะหนักหนักเขาเองนี่เขาคิดคนละอย่างกับเราเราจะไปทําอะไรเขาก็เลยชอบพุทธพจิวัติว่าแล้วเราจะไปว่าอะไรเขาเ กชอบคํานี้มากนะครับไปที่ไหนบอกอแล้วเราจะไปว่าอะไรเขาเนี่ยนะข้อเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยก็ยังไงก็ต้องสิกขาสามอยู่แล้วเบื<า>้องต้นก็ศีลสิกขาท่ามกลางก็จิตสิกขาที่สุดก็เป็นปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดก็คือให้เห็นสิกขาสามในเจ้ายายไปหมดมันถ้าดูตามภาพที่พงแสดงมันต้องมักแ8ดคูณฟังท่าฟังให้อนะหรือถ้าเป็นตามเนี่ยนะสัตตฐานสูตรใช่ไหม มักมีองค์8ใช้กับอะไรบ้างใช้กับรูปขันธ์อริยมรักอันประกอบไปด้วยองค์แคือข้อปฏิบัติเพื่อดับรูปขันธ์อารยมรักอันประกอบไปด้วยองค์8คือข้อปฏิบัติเพื่อดับเวทนาขันธ์อริยมรักอันประกอบไปด้วยองค์แเพื่อดับสัญญาขันธ์เพื่อดับสังขารขันธ์เพื่อดับวิญญาณขันธ์ถ้าถ้ามองตามนั้นนะมักแปคูณขันธ์หนะจะต้องเจริญแบบนั้นนะเพราะถ้ามันใช้มักเดียวแล้วมันดับทุกเรื่องเลยนะพวกทำไมแสดงกันเยอะแยะไปหมด มันถ้าดูตามภาพที่พงแสดงมันต้องมักรแปดคูณขันห้านะหรือถ้าเป็นตามอะไรนะยตามอภินโย ย, ยนีน่อภินญยธรรมธรรมะสองร้อยหนึ่งนะต้องมักรแปดคูณสองร้อยหนึ่งนั่นแหละมันจึงจะสมบูรณ์แต่ของเราบางอย่างเนี่ยของมาเชื่อว่าโบราณอาจารย์ท่านละไว้ในฐานที่เข้าใจกันคือท่านรู้กันแล้วว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะท่านก็มาย่อให้มันสะดวกต่อการจําง่ายใช่ไหมอันนั้นหลายๆเรื่องเนี่ยสะดวกต่อการจําง่ายนะ อย่างเช่นเขาพิมพ์นะอย่างพิมพ์พิมพ์ปรายบิโอกบางอย่างนะเขาขึ้นตาเสร็จแล้วหูก็จุดจุดแล้วก็บางทีก็ตาจมูกตาแล้วก็จุดแล้วก็จมูกแล้วก็ใจเลยจุดอีกจุดหนึ่งก็ใจเลยระหว่างนั้นถือว่ารู้กันหมดแล้วเพราะคือหลายๆเรื่องนี่สมัยโบราณท่านท่านรู้กันแต่ยุคลังหลังมานี่ก็ก็คือขอมาอย่างที่ว่าเนี่ยขอมาไม่ค่อยคิดจะเป็นอะไรนะเปิดสํานักสอนเรียนนะมันมันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกเช่ไหมคะ เพราะอะไรเพราะว่าโดยคือโดยรวมๆเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละทีนี้ถ้าอย่างที่เราเห็นถ้าถามว่าผลที่เราต้องการเราต้องการระดับไหนด้วยถ้าเราต้องการสูงเกินไปก็มาดูเหตุมันสมควรที่จะได้สูงอย่างที่ว่าไหมเนี่ยนะถ้าถ้าเรามองให้มันมันเบื้องต้นขั้มกลางที่สุดอนะต้องก็รื่อะไรนะฝักฝ่ายสูงมากแต่ว่าความเพียนต่ําไก่สูงความเพียรต่ำมันจะว่ายังไงอะ่ะมันก็มันก็คงได้เท่าที่ได้และมั่งเนาะ ธรรมศาสการพเจ้าค่ะคือที่ที่ถามเรื่องคือเรื่องเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนะคะพเจา้า <c oughs> ก็มีแสดงว่าเป็นศีลสมาธิปัญญาแล้วก็แสดงเป็ น, นศีลลวิสุทธิจิตตาวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิตามลําดับนี้ถ้าดูอย่างนี้มันเหมือนกับว่าต้องทําทีละอันทีละอันเป็นขั้นตอนเหมือนปหนึ 1, ่งปสองปสา 3, อะไรงนี้แต่จริงๆในการปฏิบททัติธรรมนี้มันต้องทําแบบว่าคลักเท้ากันไป ใชไหมครับพระอาจารย์ไม่ได้ทำตามลําดับให้ทีละอันทีละอันทีละอันคือลําดับมีหลายอย่างด้วยกันลําดับการลําดับการเรียนเนี่ยนะหรือลําดับเทศนาเนี่ยลาดับการฟังลําดับการปฏิบัติลําดับการบรรลุลําดับการละลําดับการเกิดเนี่ยนะลำดับมีทั้ง5้าอย่างเรอนุกรมห้าเนี่ยทีนี้ถ้าพูดถึงลําดับของการปฏิบัติจริงๆอาจารย์ไดล่า อวิธีคิดว่าปรดลำดับชั้นสูงเราเกิดไม่ค่อยพอผ่านไประดับหนออกมาบอกเรากลับไปเรียนสารนาคมดีกว่า <c oughs> เราจะเรียนเรื่งเทเมื่อไหร่มันก็ตกลงไปข้างล่างเทเมื่อไหร่ก็ตกลงไปข้างล่างแล้วสังเกตดูหลายๆครั้งเนี่ยเวลาสนทนากับคนที่พื้นชั้น้างล่างไม่ดีนะเราเ อ, าเอาเ้ยพอตั้งหัวข้อไว้หรูเลยนอะนุ่นเกือบมรรคผลนิพานแล้วคุยไปคุยมาไอสารนามมันคืออะไรก็กลับไปคุยเรื่องพระพุทธเจ้าใหม่ เออจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนี้มากด้วยเอเอเชื่อเอเอง่ายๆเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้พูดแบบประจานแต่เล่าให้ฟังเว้ยตอนที่ไปอยู่เชียงใหม่แรกๆเลยนะคุยเรื่องโน้นนะเกือบนิพานเกือบทั้งหมดเลยพอผ่านไประดับไหนออกมาบอกเรากลับไปเรียนสรารนาคมดีกว่าเรียนื่องกรรมบ้างดีกว่าก <c> ล <oughs> <c oughs> <c oughs> ับมาล่างๆคื อ, <c oughs> ค, อคือมันมันก็เหมือนกับว่าอะไรเพราะเรารู้แล้วว่าพอคุยไปเรื่องไหนปั๊บก็เริ่มปัญหาก็จะเริ่มตามมาทั้งหมด อ๋อนะเพราะา พ, พื้นฐานปัญหาบางอย่างพื้นฐานไม่ค่อยดีปัญหาพื้นฐานไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะมันเป็นอะไรนะมันเป็นวิชาเดียวในโลกที่เรียกคนเรียนต้องสมัครใจเรียนเองนะนะแล้วคนเรียนก็สมัครใจไม่เป็นเวลาด้วยสิมันเป็นช่วงๆเหมือนอะไรก็สักอย่างก็ไม่ทราบ น, น, นะนะแล้วคนสอนก็ก็ อ, อย่างนี้แหละมันก็ตั้งคนเรียนนะคนสอนมันก็พอกันนี่แหละมันยุคสมัยคนบุญน้อยก็ อ, อย่างนี้แหลนะที่ท่านแสดงว่า จารณาเบื้องบนบ้างแล้วก็เบื้องต่ำบ้างไม่ก็ไม่มยงไงครับเธอผู้ที่เขาเจริญไประดับหนึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็เขาก็มีการพิจารณาโดยโดยรอบครอบจริงๆนะคือการที่เราจะรู้ว่าฐานชั้นล่างเราดีหรือไม่เนี่ยเรารู้ได้ยังไงเขาต้องเอาประดับสูงมาพิจารณาดูถ้าพิจารณาระดับสูงแล้วไม่ไป นนะมันไม่ค่อยไปเลยนะก็แสดงว่าระดับล่างๆไม่ค่อยดีเหมือนอย่างว่านะสมมติถ้าเราเอาจิตกับเจตสิกมาผสมกันเข้าว่าจิตดวงหนึ่งมีเจตสิกอะไรบ้างอะไรไปต้นเนี่ ย, ร เ, 3, นะาายเรียนประชดสามเนี่ยนะก็ทําไมเรียนประชดสามเนี่เรียนไม่เข้าใจเลยก็แสดงว่าหนึ่งสองมาไม่ดีเนี่ยนะเพราะว่าประชดสามคืออะไรคือเอาประชดหนึ่งปเะชดสองมารวมกันก็กลายเป็นประชดสามนี้ใช่ไหมบางอย่างเนี่ยถ้าถ้าถ้าในพื้นล่างๆไม่ค่อยดีเวลาเรียนไปก็จะสงสัย เราก็กลับไปดูทีนี้การพิจารณาพวกนี้มันก็พิจารณาแล้วแล้วเล่าเล่าแล้วแล้วเล่าเล่าถ้าดูแบบแบบการเจริญแบบพระพิสุสมัยพุทธกาลนี่เห็นชัดเลยว่าการเจริญนั้นน่ะในชีวิตประจําวันจริงๆแล้วเจริญสลับกันไปเจริญสลับกันไปเช่นเวลาท่านจะเวลาท่านบริโภคปัจใจสี่ท่านก็ปัจเจกใช่ไหมพอท่านปัจเจกเสร็จท่านก็เจริญเจริญสมถาวิปัสนาพอไปเกี่ยวข้องกับที่อื่นอีกท่านก็ปัจเจกขึ้นมาใหม่อีกนะนะพันการการ ถ้ามองแบบแบบนั้นคือเป็นการเริ่มต้นใหม่ตลอดเวลาเป็นการเริ่มต้นทุกแห่ง น, นะพร้อมที่จะเริ่มต้นทีนี้ถ้าเริ่มต้นจนชํานาญมันก็รวดเร็วถ้าเริ่มไว้จนชํานาญแล้วนะก็จนคล่องอ่ะ น, นะอัคชนะเนี่ยนะวสีอวัชนะวสีเนี่ยชํานาญในการนึกสิ่งเหล่านั้นจนถึงพร้อมด้วยศีลอันนะัมีปาติโมคสังวร อ, อยู่เถิดเธอทั้งพอ่อใหญ่ในโทษมาศว่าเล็กน้อยสมาทานส่เปนคอมพิวเตอร์ที่มันเร็วอนะครับ ตอนเวลาเปิดใหม่มันก็ต้องเปิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วไปเรื่อยเนี่ยนะแต่ถ้าแบบมันติดต ด, ดับดบติดต ด, ดับดมันก็เปิดก็ไม่ค่อยเข้าสักทีหนึ่งเหมือนกันธรรมะก็เหมือนกันถ้าธรรมะเนี่ยที่เราจําได้แม่นเราคอนึกถึงปั๊บมันก็ไปเรื่อยใช่ไหมแล้วก็ไปสะดุดตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นไปแล้วก็พูดเดิในหนึ่งก็คือสลับคลากเล่ากันไปแต่ในที่อื่นเนี่กล่าวไว้เลยว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลอันนัน มีปาติโมขะสังวร อ, อยู่เถิดเธอทั้งหลายจงเห็นภายในโทษมากว่าเล็กน้อยสมมาทานศึกษาในศิกษาบททั้งหลายเขาบอกว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมจึงยกศีลขึ้นมาเพราะศีลเนี่ยจะช่วยเป็นบาดฐานให้เกิดสมมาฐาและวิปัสนาถามว่าเมื่อมีสมมาฐาและวิปัสนาแล้วถามว่าเกี่ยวข้องอะไรกับศีลท่านบอกว่าถ้าหากว่ามีศีลจนมีสมมาฐานวิปนะัสนาสมมาฐานวิปัสนาจะเป็นตัวมารักษาศีลเอง ตอนแรกเนี่ยเอาศีลเพื่อให้มีสมถาวิปัสนาตอนหลังสมถาวิปัสนาเป็นตัวรักษาศีลเนี่ยนะเป็นตัวรักษาศีลเขาถ้าพื้นฐานสมถาวิปัสนาไม่ดีศีลไม่ค่อยมั่นคงจะจะมารักษาศีลยังไงเขเช่นว่าพื้นฐานรักษาศีลเสร็จแล้วก็เจริญเจริญเมตตาหรือเจริญกรรมฐานจนได้ฌานเป็นต้นเนี่ยนะถามว่าเราจะาได้เหตุปัจจัยพร้อมที่จะทําให้เสียศีลเนี่ยเราจะเสียศีลไหม ไม่เสียเพราะอะไรเพราะมีส ม, มถะเป็นเครื่องรักษาเอาไว้แต่ถ้าไม่มีส ม, มถะไม่แน่นะพร้อมที่จะเสียศีล น, นั้นๆก็ได้เช่นอย่างว่าอย่างป่วยนะรักษาศีลไปแล้วมันป่วยพอมันป่วยมากเข้าโมเรียวโมแรงใช่ไหยเออมันต้องกินข้าวเย็นนะมันจึงจะมีแรงตต๊เะเขาทําไงคะเนี่ยถ้ามีส ม, มถะก็ให้ส ม, มถะเนี่ยประคับประคองอยู่ด้วยสมรถะไปก่อนเนี่ยนะสมถะก็จะทําให้ศีลไม่ขาด ถ, ถ้าเจริญวิปัสนาเจริญวนี่ยนะพอได้เหตุปัจจัยที่จะทําให้เสียศีลก็ระลึกถึงวิปัสนาเจริญวิปัสนาไปช่วงนั้นก็เป็นการป้องกันไม่ให้เสียศีลเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยสิสมถาวริปัสนาเป็นตัวมารักษาศีลอย่างเช่นตอนแรกก็สมาทานศีลเจริญพรหมิหารก่อนใช่ไหมพอเจริญตอนหลังพอได้มีใครด่าเรานะพอเรามีพรหมิหารระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมใครมาด่าเราเราก็เจริญเมตตาศีลเราก็ไม่ขาดแล้ว ศีลเราก็ไม่ขาดแล้วพ่อะอะไรเพ่อเรามาเจริญเมตตาแล้วมีพรหมิหารแล้วแต่ถ้าตอนแรกเลยศีลก็ไม่มีเจริญแต่พรหมิหารอย่างเดียวได้ไหมก็เจริญไม่ได้ฮั้นรักษาศีลเพื่อเจริญพรหมิหารพอเจริญพรหมิหารไปเป็นอย่างดีแล้วพรหมิหารจะเป็นตัวช่วยให้ศีลเราดีขึ้น น, นะรักษาศีลไม่ให้ศีลเราแตกทาลายอันนี้คืออา น, นิสงส์ของพรหมิหารที่ที่ที่ไปตามรักษาศีลตอนแรกก็รักษาศีลก่อนจึงจะเจริญพรหมิหาร กรรมฐานอื่นๆก็ในยะเดียวกันคือที่เห็นเนี่ยเป็นกับกรรมสกตาถ้าไม่มีกรรมสกตาอย่างเดียวก็ไม่รู้จะเจริญไปท่ายของเจตเมื่อถ้าเราเห็นโทษเห็นภัยของการทํากรรมเนี่ยเรื่องบัจีทุจริตเนี่ยช่วยเยอะเหมือนห้อยกล้ า, า เ, เพราะว่าเห็นโทษของบัจีทุจริตซึ่งเป็นทุจริตที่เกิดง่ายมากร่วงง่ายมากเลยถ้ากรรมสกตาดีๆนี่ช่วยเยอะเหมือน ได้เมตตก็เมตตก็ช่วยมากก็จริงๆแล้วเบื้องต้นของาศาสนาเนี่ยนะเบื้องต้นของผู้ที่จะเจริญอริยมรรคเนี่ก็ต้องมีศีลกับกรรมสกตาถ้าไม่มีกรรมสกตาอย่างเดียวก็ไม่รู้จะเจริญไปทําอะไรใช่ไหมเมื่อคนอื่นหลับอยู่เรามันนั่งตรึกธรรมะอยู่ใช่ไหมเมื่อคนอื่นเขากินข้าว อ, อร่อยอรเรามันนั่งกลืนน้าลายอยู่เฉยๆอย่างนึงเฮ้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใช่ไหม ถ้ากรรมสักตาเราไม่ดีเนี่ยเพราะคนพาลทั้งหลายเขาถือว่าเอออะไรนะคนดีนะถือว่าเวลาเจริญกุศลเนี่ยไม่ดีตราบที่กุศลยังไม่ให้ผลถ้ากรรมสักตาไม่แม่นวิจารณญาณไม่ค่อยดีใช่ไหมถ้าวิจารณญาณเราไม่ค่อยดีเนี่ยนะตอนที่เรารักษาศีลเป็นต้นแม้มันไม่เห็นดีเลยเนะเนี่ อย่างเจกชาติหนึ่งนะกลุมพระพิสุทธิที่บวชเข้ามาเนี่ยถ้ากรร ม, มสกตาไม่ดีเนี่บวชนี่ต้องมารักษาศีลมาเคร่งมาอะไรไม่มันวุ่นวายไปหมดทําไมมันเรื่องมากขนาดนี้อะไรเงี้ยนะก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นไปเพราะไม่มีกรร ม, มสกตาแต่ถ้ามีกรร ม, มสกตาเนี่ยถามว่าถ้าท่านไม่ทําอย่างนี้ท่านจะเดือดร้อนไหมเดือดร้อนอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ถ้ามีกรรมมศกตาจะรู้ว่าเออเนี่ยถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เราเดือดร้อนแน่นอน นั่นะนเพราะด้วยกรรมสกตานั้นจึงเป็นบาทที่สําคัญมากๆเลยถ้าใครไม่มีกรรมสกตานี่ยจึงถือว่าพระองค์มไม่สอนอริยสัจให้แบบนั้นเถอะไม่ประกาศอริยสัจให้เขาหรอกจะต้องให้เขามีกรรมสกตาก่อนให้มีศีลก่อนพระองค์จึงสอนอริยสัจแก่เขาถ้ากรรมสกตาไม่ดีเนี่ยนะไปพูดว่าอนัตตาเข้าอะไรจะเกิดขึ้นบุญบาปก็ไม่รู้จักดีชั่วก็ไม่รู้จักขึ้นต้นพวดขึ้นมาทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดถามว่าจะไปทํำยังไงต่อไป หรืออะไรนะบุญบาปเขาไม่ค่อยรู้เรื่องขึ้นเต้นนะโอ้ยโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่า ง, า ง, างโลกนี้ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแต่ไม่รู้บุญรู้บาปเลยนะถามว่าเขาจะรู้อันนี้จังแล้วเขาจะร่วมเป็นยังไงหรือไม่มีกรรมสกตาโลกนี้นะมันเต็มไปได้วยทุกหมดเลยมันมีแต่ทุกอะไรจะเกิดขึ้นก็โทสะเกิดถ้าไม่มีกรรมสกตาเนี่ยนะถ้าไม่กรรมสกตาไม่ดีนี้กรรมสกตาคือความรู้ระดับยาตรปริญญา ถ้ายาตาปริญญาไม่ดีเนี่ยนะวิปัสนาตั้งแต่ตีระปริญญาเกิดไม่ได้ถึงเกิดก็เสียหายอย่างพระฉันนะเนี่ยนะพระฉันนะกรรมสกตาไม่ดีพื้นฐานการทํายาตาปริญญาไม่ดีพอท่านเจริญวิปัสนาปั๊บเนี่ยนะว่าไม่เที่ยงเป็นอนาตตาปั๊บเนี่ยท่านตกใจเลยเพราะงั้นอัตตาของเรามันก็ศูนรู้ปริยัติประยองงั้ครับแต่พูดถึงว่าถ้าจะรู้ศกตาไม่มีุณโทษเห็น เห็นโทษจริงๆเนี่ยกลัวจริง ๆ, ๆเกิดตุนคือปฏิจจสมุปาต์คือเรื่องเดียวกันนะนะกรรมสกตาคือปฏิจจสมุปาตานั่นเองเคยคิดเหมือนกันครับว่าเรื่องกรรมสกตาเนี่ยจะเจริญยังไงนี่น ะ, จะเจริญยังไงกรรมสกตานี่นแล้วก็ที่เท่าเท่าที่ทเข้าใจนะฮะคือกรรมสกตานี่มันเป็นมันเป็นทิฐิเบื้องต้นมันเป็นปัญญา กับอะไรเยอะยิ่งกรรมสิบสองนั้นก็ก็ยังไม่พอาอาจจะรูะ้อาจจะรู้ปริยัติประยางนะครับแต่พูดถึงว่าถ้าจะรู้รู้แล้วเห็นโทษเห็นเห็นโทษจริงๆรงี่ยกลัวจริงๆเกิดเฮลี่อร์อรปาจริงเนี่ยนะคงจะต้องปรุงแต่งอีกเยอะโดยเฉพาะจะต้องฟังอีกเยอะเพราะว่าคือชื่อบัญญาก็เกิดจากการฟังกับการโยนิโสถูกไหมครับคงจะต้องคงจะต้องอ่าน ผมนึกในใจนะคงจะต้องอ่านประเภทวิมอนวัตถุเปแต่วัตถุประเภทชาดกประเภทอนะไรเยอะอยะผมนึก ใ, ในใจนะข้อมูลประกอบเนี่ยนะต้องมากใช่ในในหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือในแง่การเจริญในชีวิตจริงก็คือเนี่ยเห็นใครก็ใส่ใจไหมว่าเขาเนี่ยมาด้วยกรรมของเขาเขาก็จะไปตามกรรมของเขาเนี่ยนะคือคือการมโนสิการแบบนี้เราบ่อยไหมไงั้นนั่นแหะ หรือม้กระทังเราลืมตาเห็นเนี่ยเออมาด้วยกรรมแล้วก็จักไปตามกรรมก็วก็เขาคิดอยู่นะเขาเขเห็นอยู่แต่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยทราบจริงเท่าไหร่ไงคือพระผู้ที่เจริญเนี่ยนะท่านเจริญกันสิ่งเหล่านี้เป็นอาชีพนะคือมันเป็นเรื่องมันเป็นชีวิตจิตใจของท่านไปแล้วผู้ผู้ผู้ที่เจริญจะออกจากวตานะ่ยเขาคิดเรื่องนี้เป็นชีวิตจิตใจจริงๆมันเป็นอะไรนะมันเป็น มันยิ่งกว่าส่วนหนึ่งของชีวิตอนะนะมันเป็นชีวิตของเขาจริงๆที่เขาเรียกว่าชีวิตในโธรม์อาจารย์เนี่ยนะในจนเป็นอันเดียวกันกับพระตนะตรายว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าคิดแนวความเห็นของพระพุทธเจ้ากับสาวกจะไม่ขัดกันเองมีความเห็นแนวเดียวกันตลอดเนี่ยนะแล้วยิ่งพระสาวกด้วยกันด้วยแล้วก็แพูดเสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิมีความเห็นเหมือนกันหมด ในในเรื่องนั้นนั้นเช่นเรื่องกรรมสักตาเนี่ยนะแต่ใครจะเห็นมากเห็นน้อยอีกเรื่องนึงแต่ว่าอยู่ในทิศทางเดียวกันทั้งหมดอันจนกว่าเราศึกษาพระธรรมคําคสอนจนไม่รู้สึกว่าที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยเป็นของที่ผิดแล้วเราก็เห็นตามที่พระองค์แสดงทุกขนทุกแห่งทุกที่ด้วยถ้ากล่าวจริงๆแลยนะฮะพูดถึงเรื่องกรรมสักตานี่นะฮะผมชื่อว่าในวงการศึกษาธรรมะเนี่ยแค่ผู้ผ่านทเท่านั้นฮะยังไม่เคยกล่าวเป็นเรื่องที่ว่าจะต้องมา มาศึกษาจริงจรงจังๆเลยนะทั้งที่สําคัญมากๆเลยนะก็รู้แค่นั้นน่ะวัตถุศิษย์เลยเนี่ยตอนนั้นน่ะกัมมสกตาเนี่ยนะที่สมบูรณ์เนี่ยก็คือโลกานิโรทสูตรสมุทัยะวาระนั่นแหละตัมมสกตาก็อย่างว่านะในที่สุดออกจากวตาเนะตัจจะนั่นเองไม่ได้เลยหรือมันก็เป็นตาไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะเพราะบางคนเนี่ยแม้กระทั่งเกศไม่ต้องเปลี่ยนหมดเลย เอ่อจะเจริญยังไงเพ่อมันมันเป็นปัญญามันเจริญมันต้องมีการตึกกันนะถ้าถ้าใครเจริญกรร ม, มสกตาปัญญาตามนั้นจริงๆนะชีวิตมันจะเปลี่ยนแปลงเกือบทั้งหมดเลยฮิริโอตะปะมันจะมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะเพื่อนเนี่ยจะเปริ่มเปลี่ยนเรืเ่อยเสังคมสิ่งแวดล้อมนะี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนไปหมดเลยถ้าเจริญตามนั้นจริงๆมันจะต้องคับตัวเองออกจากก็ อ, อย่างว่านะในที่สุดออกจากวาตานะ ถ้าคิดจออกจากว่าตาแล้วเรื่องบางเรื่องมันออกไม่ได้เลยหรือมันก็ออกเป็นตาไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะเพราะบางคนเนี่ยแม้กระทั่งกิจกรรมนี่ต้องเปลี่ยนหมดเลยถ้าถ้าจเจริญไปตามนั้นจริงๆนะต้องเห็นภายในสังขารอย่างแรงกล้านในที่สุดก็ไม่ติดข้องในสังขารทั้งมวลพูถึงว่าถ้าจะเจริญในแนวปฏิจจทวารบาทนี่ก็ก็เป็นเป็นเป็นแนวทางที่ตรงๆเลยในเรื่องการบักตานะแต่ว่าต้องละเอียดมากเลยครับ ต้องละเอียดลงไปถึงเรียกว่าเป็นเป็นเป็นองค์ธรรมยังไงเป็นจิตยังไงเป็นจิตแต่และดวงจิตประเภทไหนแล้วเหตุกับปัจจัยมันมันสัมพันธ์กันยังไงเนี่ยครับต้องละเอียดจึงจะ ก, ก็ต้องรู้ทั้งโดยสุตันตะในและอภิธรรมในคือถ้าเป็นเป็นพื้นฐานแบบกลุ่มที่อะไรนะเกิดมาในยุคที่ที่เป็นในยุคนี้ที่อินทรีย์อ่อนหมดแล้นะก็ต้องเรียนทั้งอะไรนะอภิธรรมภาชินีและสุตันตภาชินี คือทั้งแนวอภิธรรมกับแนวพระสูตรแนวธรร ม, มาทิ่ฐานกับปุคลาทิ่ฐานต้องสัมพันธ์กันที่เชียงใหม่ทั้งเคยท่างเคยทํามาวิเคราะห์อย่างละเอียดทีอกแล้วนะฮะในเรื่องปฏิจจุบุบาทนี่นะคือถ้้เวลานานโข อ, อยู่เหมือนกันนะที่จะหยิบเอาแต่และตัวตั้งแต่อวิชามาโดยเฉพาะสังขารเนี่ยโอ้โห ยิบเลยว่ามันมันมั น, ม, น, ม, นมันกี่ดวงยี่สิบเก้าดวงยี่สิบดวงเยอะแยะหมดแล้วก็เอามาแจกแจกแจกไปแล้วก็จ ะ, จะเกิดวิญญาณอะไรบ้างนี่นะเพศไหนบ้างโออีกเยอะแยะเนี่ยโอ้น่าศึกษามากเลยอันนี้พวกไอการแจกมากๆเนี่ยนะถ้าถ้าพื้นฐานข้อมูลดีหน่อยก็ก็จะสนุกเนี่ยนะถ้าข้อมูลพื้นฐานไม่ค่อยดีหรือไม่ได้เรียนมาโดยลําดับ ไม่มีการวางมาโดยลําดับเนี่ยนะมันบางทีอย่างที่สมณเนรูปหนึ่งมานั่งฟังปฏิจจสมุปบาทบอกอาจารย์ครับผมหัวผมเนี่ยมันร้อนไปหมดเลยก็งั้น <Okay. S 1> นะวันก่อนพี่ก็มาเล่าให้ฟังว่าหัวร้อนเป็นยังไงหัวมันร้อนไปหมดเลยนะคือแล้วก็อย่างว่านะเขาเคยมีโยมคนหนึ่งเนละแก่เป็นคนที่แปลกมากเลยเขาจะมาวันไหนที่เรียนเรื่องยาก เออความเข้าใจตามเนี่ยไม่น่าจะยากสับเท่าไหร่เนี่ยถ้าถ้าถ้าเรียนโดยลําดับอนนะะเวลาเรียนก็มีทั้งขีดทั้งเขียนแล้วก็ที่เชียงใหม่มีเขาจะมาวันเฉพาะวันแต่เรื่องยากอย่างเดียวคือคือจริงๆริ้เาก็ไม่ได้ตั้งใจอนะแต่ว่าปัจจัยมันให้ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะเขาคุยเรื่องยากอยู่ใช่ไหมคนนี้ก็มาแล้ววันหลังก็เรื่องยากอีกก็มา อ, อีก น, นะจริงๆเราก็พูดเรื่องง่ายสลับไปบ่อยนะ แต่ว่าเขาจะมาฟังเฉพาะตอนในเรื่องยากก็เลยเลิกศึกษาไปเลยคือไม่ตอนต้ น, ตนๆนะนะคือแต่ถ้าหากว่าธรรมะถ้าเรียนมาตั้งขั้ต้นมาค่อนข้างดีหน่อยนะถ้าถ้าฟังมาโดยลําดับแล้วก็พยายามทําความเข้าใจตามเนี่ยไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่เนี่ยถ้าถ้าถ้าเรียนโดยลําดับ น, นะเพราะว่าเวลาเรียนก็มีทั้งขีดทั้งเขียนแล้วก็มันก็เรียนแต่เรื่องซ้ําๆเดิมๆแต่ว่ามันปีอะไรนะมีนัยยะใหม่ๆมีอะไรมีวิธีการคิดที่แปลกๆขึ้นวิจิตพิสดารขึ้น ทันนนถ้าถ้าค่อยๆมาศึกษาโดยลำดบับเช่นโดยวัตถุโดยวิญญาณ